ปกินกาคาถาเพื่อความฉลาดหลายประการในโพธิสมภารของกุลบุตรทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในฐานะนั้นมีความอุตสาหะในการปฏิบัติเพื่อไปสู่มหาโพธิญาณมันก็ผู้ที่มีศรัทธาปรารถนาะเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ภาคเพียนพยายาม สำหรับผู้ที่ตั้งอยู่ในความภาเพียงพยายามนั้นถ้าหากว่าไม่ฉลาดในอุบายหรือไม่ค่อยมีความรอบรู้การกระทำก็ทำด้วยความเหนื่อยและความยากลำบากนั้นเพื่อความฉลาดจะได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติเมื่อรู้วิธีการเจริญการปฏิบัติก็สามารถที่จะปฏิบัติสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นเพื่อความฉลาด ในหลายๆประการด้วยกันก็เลยตั้งเป็นปัญหาดังต่อไปนี้ถ้าใครสามารถตอบปัญหาได้ทั้ง16ปัญหาได้ก็ถือว่ามีความเข้าใจในการบําเพ็ญบารมีเป็นอย่างดีปัญหาสิบข้อนั้นคืออะไรหนึ่งบารมีคืออะไรสองบารมีนี้เพราะอัตถะว่าอย่างไรสาบารมีนี้มีกี่อย่างส บารมีนี้มีลำดับเป็นอย่างไรเนี่ยนะคือลำดับของบารมีแต่ละอย่างเนี่ยมีลำดับเป็นไปอย่างไร 5. อะไรเป็นลักษณ as, ะรสสะปัจุ ป, ปทานปทัฐานของบารมีหรือที่เราคุ้นกันว่าลักษณะที่จตุกะของบารมี 6. อะไรเป็นปัจจัยของบารมี 7. อะไรเป็นความเศร้าหมองของบารมี 8. อะไรเป็นความผ่องแผ้วของบารมี9อะไรเป็นปฏิปักษ์คือศัตรูต่อบารมี10อะไรเป็นข้อปฏิบัต เป็นการปฏิบัติบารมี11อะไรเป็นการจำแนกบารมีหรือจำแนกบารมีได้อย่างไร12บสองอะไรเป็นการส่งเคราะห์บารมีค ouais ือบารมีนี้ส่งเคราะห์ได้ไหมสิบสามอะไรเป็นอุบายให้สำเร็จนหมายความว่าบารมีนี้จะสำเร็จได้อย่างไรสิบสี่บารมีนี้สำเร็จในการละไหนหมายความว่าเมื่อไหร่จะได้สำเร็จอะไรเป็นอนิสงของการเจริญบารมีอะไรเป็นผลของบารมี 15เนี่ยอะไรเป็นกําไรของบารมีใช่มสิบหกอะไรเป็นผลของบารมีเหล่านั้นถ้าใครตอบได้ทั้ง16คําถามเหล่านี้ก็ถือว่ารอบรู้ในเรื่องของบารมีเป็นผู้ที่ปฏิบัติบารมีอย่างไม่ผิดพลาดบารมีคืออะไรข้อแรกเนี่ยนะคำถามแรกว่าบารมีคืออะไรบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายถามว่าบารมีคืออะไรบอกบารมีคือคุณธรรมทั้งหลาย คุณธรรมนั้นมีอะไรบ้างก็คือทานศีลเนคคัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจอาทิฐานเมตตาและอุเบกขานี่ยแหละมันบารมีนั้นคือคุณธรรมทีนี้คุณธรรมเหล่านี้มันเกิดจากอะไรคุณธรรมอันนี้เกิดจากความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาอันตัญหาและทิฐิไม่เข้าไปกําจัดหมายความว่าคนนั้นเนี่ยไม่ถูกเคลือบไม่ถูกฉาบไม่ถูกทา ไม่ถูกฆ่าศึกคือตันหามานะทิฏฐิมามาขจัดเพราะกรุณากรุณานี้เป็นเหตุกรุณาเป็นปัจจัยทําให้คนคิดสแสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาคือกรุณานี่แหละเป็นตัวที่ผลักดันให้สแสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และก็เป็นกรุณาที่ไม่ได้ฉาบด้วย ตัหาเป็นกรุณาที่ไม่เคลือบด้วยมานะเป็นการุณาที่ไม่แปดปนไปด้วยมิจฉาทิฐิทั้งหลายก็ถือว่าเป็นการุณาที่ที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยนะเป็นการุณาที่สะอาดบริสุทธิ์การุณาก็คือความคิดที่มุ่งบำบัดให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกทุกในวัฏฏะสงสารทุกที่เกิดจากบาปกิเลศ ทุกที่เกิดจากราคะโทสะและโมหะทุกข์ที่เกิดจากชาติชรา ม, มรณะทุกที่เกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกทุกที่เกิดในสังสารวัฏกรุณาอันนี้ปรารถนาเพื่อจะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ในการที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มีอุบายอะไรเลยเนี่ยช่วยคนอื่นได้ไหมอย่างสมมุติคิดง่ายๆว่าเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเรื่องโภกกระซย์สงสารเขาจับใจแต่งโง่ๆนี่อยากช่วยเขาอ่ะ ขอช่วยแบบโง่ๆเนี่ยนะช่วยสร้างปัญหาสิเห็นรถเขาเสียเดี๋ยวไปช่วยซ่อมให้เลยสงสารเขาอ่ะนะเ็เลยช่วยซ่อมรื้อใหญ่เลยถอดอะไรมาหมดเกลี้ยงช่วยหรือทำลายกันแน่ใช่เห็นเขาปวดท้องมากทุรนทุรายกวนกวายสงสารเขาเลยเอามีดมาผ่าดู <c oughs> ดีไหมคุณหมอ <c oughs> เดือดร้อนแน่ใช่ไั้นสงสารเนี่ยจะต้องสงสารแบบมีอุบาย เห็นใจเห็นใจกรุณาปรารถนาจะให้เขาพ้นทุกอย่างมีวิธีการอย่างมีหลักวิชาการแล้วทำแบบด้วยความสุจริตใจไม่ฉาบทาด้วยตันหาไม่มิทำด้วยความลำพองคือมานะและไม่ได้ทำแบบผิดผิดด้วยวิธีการผิดผิดด้วยมิจฉาทิฐิเพราะถ้าหากว่าช่วยด้วยมิจฉาทิฐิอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ช่วยนะซ้ำเติมตังหาก ปกติเขาก็บ่ายหน้าไปสู่อาบายอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ไปอาบายได้เร็วขึ้นอ น, นั้นช่วยด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิ้นตัวบารมีนั้นคือคุณธรรมคุณธรรมทั้ง10ประการนั่นแหละที่เกิดจากกรุณากรุณาที่เลือกเฟ้นไข้ครวนดูแล้วว่าจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้จริงๆต้องช่วยด้วยคุณธรรม10บประการอย่างทานบารมีเนี่ยนะ เราจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ไปช่วยให้เขาให้ทานแต่ช่วยให้ทานแก่เขาเขาจะได้มีความสุขบารมีทั้งสินะถ้าย่อมาก็คือ3มอย่างวัตถุทานอภัยทานกะระทำมทานแบ่งมาแล้วมีอยู่สามข้อแค่นั่นแหละก็คือผู้ที่ให้ให้ให้ใๆทานก็แปลว่าให้คุณธรรมที่เกิดจากการให้ให้วัตถุให้อภัยแล้วก็ให้คุณธรรมเพิ่มพูนคุณธรรมทั้งหลายนั่นแหละ ด้วยใจกรุณาจริงๆนะถ้าให้วัตถุเขาจะได้ไม่เดือดร้อนในวัตถุให้อภัยเขาจะได้มีแต่ความสุขและความเจริญแล้วก็ยังให้คุณธรรมอีกอ น, นะให้ทําให้ความรู้ให้สติปัญญาให้ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขมันบารมีนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่นําสัตว์ออกจากทุกนั่นแหละนั้นบารมีนั้นเกิดจากการุณาบารมีนั้นเป็นเป็นเครื่องมือของ ของการุณาที่เกิดจากความฉลาดเนี่ยนะนั้นบารมีเนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญบุญนะั้นยังไงก็ตามการุณาก็การุณาแต่อย่าขาดปัญญาถ้าขาดปัญญาเมื่อไหร่ก็กลายเป็นซ้ำเติมเนี่ยนะก็อย่างเช่นว่าสงสารคนป่วยจับใจตัวเองไม่ได้เรียนอะไรมาเลยก็เลยไปช่วยเขาช่วยให้เขาตายเร็วขึ้ น, นสิเนี่ยนะ นี่ก็ลักษณะเดียวกันปรารถนาจะช่วยให้เขาพ้นจากวัตฏะก็เลยไปเสนอหลักการอะไรสักอย่างก็เลยชวนกันไปหนักกว่เกาเก่าอีกเนี่ยนะคำถามแรกบารมีคืออะไรตอบได้เลยนะว่าบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายที่ที่อะไรที่เกิดจากกรุณาเพราะฉลาดในอุบายหรือเพราะกรุณานี่แหละทาให้ฉลาดในอุบายเจริญคุณธรรมทั้งหลาย มีทานศีลเป็นต้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัรพสัตว์นั่นเองอ น, นะหรือเพื่อบำบัดทุกแห่งส ร, รพพสัตว์อย่างที่สองบา ร, รมีมีความหมายว่าอะไรอัฏฐะแปล ว, ว่าความหมายเนื้อความเนื้อความเนี่ยนะความหมายของบา ร, รมีคืออะไรบอกว่าความหมายก็คือพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ผู้ยอดยิ่งยอดในหมายเขาว่าสูงสุดกว่าสัตว์ เพราะท่านประกอบด้วยคุณวิเศษเพราะท่านมีคุณธรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีคุณธรรมคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเนคคัมมะการอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะ <c oughs> เป็นต้นเนี่ยนะท่านความหมายของบารมีคือความเป็นหรือการกระทําของพระโพธิสัตว์นั่นแหละเรียกว่าบารมีหรือความหมายของบารมีท่านความหมายของบารมีก็คือกรรมมีการบําเพ็ญก็เรียกว่าบารมี เรี ว, ว่าพฤติกรรมการกระทำความเป็นนั่นแหละคือความหมายของบารมีเพราะฉะนั้นความหมายของบารมีก็คือการกระทำให้เป็นต้นอ่ะนะอีกอย่างหนึ่งปรมาเนี่ยนะประมะในคำว่าบารมีเนี่ยประมะมีความหมายว่าบำเพ็ญก็ได้เช่นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีความหมายว่าผู้บำเพ็ญผู้บำเพ็ญแปลว่าอะไรผู้ผู้ทำอ่ะนะทำอะไร บำเพ็ญคืออะไรบำเพ็ญทานรักษาศีลเป็นต้องเรียกว่าบำเพ็ญด้วยการให้ทานบำเพ็ญด้วยการรักษาศีลบำเพ็ญด้วยการเจริญเนคคัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะหรือเป็นผู้ที่ปก ป, กปักรักษาคุ้มครองการให้แปลว่าคนที่ถือการให้ว่าเป็นสาระถือว่าการรักษาศีลเป็นสาระการเจริญเนคคัมมะว่าเป็นสาระเนี่ยถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่จะช่วยให้บรรลุเป็น รพระพุทธเจ้าเพราะท่านเปยปกปักรักษาคุ้มครองการให้ทานการรักษาศีลเพราะฉะนั้นความหมายของบารมีก็คือคุณธรรมดังกล่าวเป็นบารมีของผู้บำเพ็ญความหมายของคือผู้ที่บำเพ็ญรักษาคุ้มครองภาวะก็ดีกรรมก็ดีเป็นบารมีของผู้บำเพ็ญเพราะกรรมมีการให้ทานภาวะแห่งการให้ทานภาวะแห่งการรักษาศีล ภาวะแห่งการเจริญทั้งคุณธรรมสิบประการหรือการกระทำคุณธรรมทั้งส0บประการอันนี้แหละเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญนี่คือความหมายของบารมีอีกอย่างหนึ่งบารมีเนี่ยนะย่อมผูกสัตว์อื่นเอาไว้ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษทามเนี่ยนะผูกสัตว์เอาไว้กับตัวบารมีคือคุณธรรมสิบอย่างไนงะบารมีคือคุณธรรมสิบอย่างเนี่ยผูกสัตว์เอาไว้ ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษหรือสัตว์ผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษเนี่ยนะจะมีการกระทําคุณธรรมทั้ง1ิประการหรือบารมีย่อมขัดเกลาวสัตว์อื่นให้หมดจดจากมลทินคือกิเลสบารมีนี่แปลว่าคุณธรรมเครื่องขัดเกลาให้สัตว์เหล่านั้นไม่เศร้าหมองคุณธรรมที่ทำให้พระโพธิสัตว์ไม่เศร้าหมอง คุณธรรมที่ท่านให้ผ่องใสไม่ขุนมัวนั้นบา ร, รมีคือธรรมที่มีความขัดเกลาคุณธรรมที่ทําความขัดเกลาทําให้จิตใจไม่เศร้าหมองทําให้จิตใจไม่ปนเปื้อ น, อนหรือบา ร, รมีย่อมถึงนิพพานอันประเสริฐที่สุดด้วยคุณวิเศษอีกนายหนึ่งก็บอกว่าคุณวิเศษที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนั่นแหละเรียกว่า บารมีวันคุณธรรมอันนี้เนี่ยช่วยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญได้จนได้รับคุณวิเศษบรรลุนิพพานยังช่วยสัตว์อื่นให้ประกอบด้วยคุณวิเศษบรรลุพระนิพพานได้จึงเรียกว่าบารมีหรือบารมีเนี่ยนะย่อมกําหนดรู้โลกอื่นดูดรู้โลกนี้ด้วยคุณวิเศษคือญาณอันเป็นกาลกําหนดแล้ว แปลว่าบารมีเนี่ยนะคนที่มีบารมีนี่แปลว่าคนคิดการไกลไกลแค่ไหนเสียสงไข่แสนกลับเมื่อตัวเองได้ตรัสรู้แล้วจะช่วยรฤอเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากสังสารทุกข์เมื่อมองเห็นอย่างตลอดสายอย่างนี้แล้วนะเหมือนกำหนดรู้โลกอื่นโลกที่จะมีต่อไปข้างหน้าข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างร็จแล้วก็เมื่อรอบรู้อย่างนี้แล้วจะได้บำเพ็ญคุณธรรมเพื่อจะช่วยเขาได้จริงๆอ่ะนะ เลยเรียกว่าความหมายของบารมีหรือบารมีย่อมตักตวงคุณมีศีลเป็นต้นไว้ในสันดานของตนอย่างยิ่งบารมีเนี่ยเรียกว่าตักตวงตักตวงคุณธรรมพูดแบบสมัยใหม่นะว่ากอบโกยคุณธรรมเป็นตัวที่กอบโกยทานไม่ใช่กอบโกยให้คนอื่นให้นะกอบโกยการให้ของตัวเองอะ่ะตัวเองเนี่ยโกยให้โกยให้โกยให้โกยศีลเนี่ยนะ โกยเพื่อให้ใจเนี่ยเป็นไปกับศีลแต่ตรงนี้เรียกว่าตักตวงตักตวงการให้ตักตวงการรักษาศีลตักตวงการเจริญเนคขมะตักตวงปัญญาที่จะให้มีที่สุดเต่าที่จะมีได้เพราะการตักตวงคุณธรรมนั่นแหละเรียกว่าบารมีจากใจที่ไม่ใจไม่เป็นทานให้ใจเป็นไปกับทานจากใจที่ไม่มีศีลตักตวงให้เป็นศีลจากใจที่ไม่มีเนคขมะตักตวงให้เป็น เน่คัมมะใจที่ไม่มีปัญญาเลยตักตวงให้มีปัญญาแปลว่าใจที่ขาดคุณธรรมทั้งสิก็ตักตวงที่สุดเท่าที่จะตักตวงได้นั่นแหละเรียกว่าบารมีเรียกว่าตักตวงคุณธรรมเอาไว้ในสันดานของตนแปลว่าปกติสันดานไม่ค่อยมีบารมีอยู่ในใจใช่ไหมก็ตักตวงให้สันดานนี่มีบารมีก่อนฟังแล้วฟังดูยาบนะ แต่ว่าจริงๆแล้วมันตรงตัวแปล ว, ว่าสืบเนื่องปกติชีวิตที่ไม่เป็นไปกับคุณธรรมก็ทําให้คุณธรรมทั้งสิบนี้มีก่อนเมื่อคุณธรรมทั้งสิบมีแต่น้อยก็เพิ่มภูให้มีกําลังมีความแข็งแรงยิ่งกว่านั้นอีกนะให้มีเรี่ยวแรงให้แข็งแรงแล้วก็เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือบารมีย่อมทําลายปฏิปักษ์อื่นจากธรรมกายอันเป็นอัตตาหมายคือว่า คุณธรรมของตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าตนเนี่ยนะคุณธรรมบุญกุศลที่เกิดในใจของตนเรียกว่าเป็นตนมันบารมีเนี่ยเป็นตัวทำลายค่าศึกต่อตัวเองคือคือเอาเอาเป็นว่าถ้าสมมติถ่าเราเราพูดแบบภาษาเราเรานะถ้าตัวเราเนี่ยเราเราต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์ไหมไม่ต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์ไอ้ตัวเราก็คืออะไรก็คือทานศีลเนคขมะจะเรียกว่าตัวเราก็ได้เรียกว่าอัต t าก o ได้เพราะอะไร เพราะจะเป็นตัวที่นำไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันบา ร, รมีคือคุณธรรมที่กำจัดค้าศึกที่ทำลายตัวเองที่ทำลายตัวหรือว่าไม่มีตัวแล้วไม่มีอัตตาอะไรแล้วอัตตาในที่นี้หมายถึงจิตนะหมายถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในใจเพิ่มคุณธรรมที่อยู่ในใจให้เจริญงอกงามแล้วก็พอกพูนคุณธรรมอันนี้แล้วกาจัดปฏิปักษ์คธรรมข่าศึกศัตรูแล้วก็เพิ่มคุณธรรมอันนี้จนได้ตรัสรู้ หรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าหมู่โจรคือกิเลสอันทาความพินาศแก่ตนนั้นเพราะเหตุนั้นชื่อว่าประมะหมายคําว่าบารมีคือตัวที่ทําลายหมู่โจรคือกิเลสให้พินาศแสดงว่าบารมีนี้ก็คืออะไรนะผู้ทําลายหมู่โจรแสดงว่ากลุ่มอะไรตํารวจทหารเป็นที่ทําลายปฏิปักษบารมีก็ลักษณะนั้นแหละทําลายหมู่โจรคือกิเลส ที่สร้างแต่ความพินาาให้แก่ตนเอางี้ได้ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนตนนี้ขี้เหนียวสุดๆเลยนะอาจจะผลแห่งกรรมเก่าทำให้มีพภอคะแต่ไอความตนนี้รักษาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอนุรักษ์นิยมเ้าเรียกว่าห้ามถ่ายที่อื่นมาถ่ายบ้านเราอะนะเป็นต้นเนี่ยนะทำได้ขนาดนั้นเนี่ยสักห้าสิบชาติจะเป็นยังไงอ่ะคิดว่าจะมีกินไหเหรอว่าอนาคตยังไงก็ไม่มีกิน เจออะไรค่าได้เป็นค่ารักได้เป็นรักโกงได้เป็นโกงปล้นได้เป็นปล้นเป็นต้นเนี่ยนะทำการเมข่มคืนได้เป็นข่มคืนคิดว่าจะเจริญมไหมว่าไม่หลอกได้เป็นหลอกดาได้เป็นดาสอเสียดได้เป็นส่อเสียดเพ้อเจอร์ได้อะเพ้อเจอร์ไปเธออภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐิที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับบารมีทั้งหมดเนี่ยนะผู้ที่ทําแบบนั้นเนี่ยถามว่าพินาฏไหม อนาคตต่อไปก็คือพินาฏบารมีคือตัวทําลายสิ่งเหล่านั้นนะนะกำจัดความพิ่นาฏในชาตินี้กําจัดความพินาฏในภบต่อต่อไปแตนะ่ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญบบารมีคือคุณธรรมที่ทําลายหมู่โจรที่สร้างแต่ความพี่นาฏนะแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาบอกโอ้ยนี่เพราะรักษาเพราะบําเพ็ญบารมีนี่แหละตัวเองเลยพินาฏอันนั้นก็เข้าใจผิดนะเข้าใจผิด แต่จริงๆอ่ะที่ตัวเองที่นาฏเนี่ยก็เนื่องผลจากกรรมเก่าเป็นปัจจัยเนี่ยนะทำให้เดือดร้อนหรืออีกในหนึ่งบอกว่าบารมีย่อมขัดเกลาคือย่อมบริสุทธิ์ในฝั่งคือพระนิพพานและก็ยังสัตว์ทั้งหลายให้หมดจดหมายาว่าบารมีเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เป็นตัวที่ขัดเกลาคําว่าขัดเกลาในที่นี้หมายาว่าขัดเกลารเนี่ยตัวนี้น่าจะแปลว่ากลั่นกรองนะ Class, ชอบค dash, ําว่ากลั่นกรองมากกว่าขัดเกลวาเรียกว่ากลั่นกรองกลั่นกรองให้ให้สะอาดยิ่งยิ่งข um ึ้นไปให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปมันเมื่อกลั่นกรองจนบริสุทธิ์การกลั่นกรองข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เพื่อแทงตลอดพระนิพพานที่บริสุทธิ์มันขัดเกลา์เนี่ยนะสันเลขาแปลว่ากลั่นกรองเนี่ยนะกลั่นกรองเเรียกว่าจนสะอาดบริสุทธิ์ คู่ควรแก่พระนิพพานที่บริสุทธิ์พระคุธรรมคือความกลั่นกรองอกลั่นและก็กรองอันนี้แหละทำให้สัตว์ทั้งหลายได้หมดจดเนี่ยนะกรองได้เท่าไรขจัดสิ่งที่เศร้ามองออกไปได้เท่าไรก็หมดจดเท่านั้นหรือบารมีย่อมผูกสัตว์หรือประกอบสัตว์เอาไว้ในพระนิพพานหมายคําว่าใครที่ปฏิบัติในบารมีเนี่ยนะบรรลุนิพพานแน่ เท่ากับผูกตัวเองไว้กับนิพพานอยู่แล้วผู้ที่บำเพ็ญบารมีมีการให้ทานรักษาศีลคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าจุดจบอยู่ที่ไหนจุดจบอยู่ที่การแทงตลอดพระนิพพานบนรรลุโพธิญาณ น, นั้นบารมีคือผูกผูกใครก็ได้ที่ประกอบในคุณธรรมเหล่านี้ให้บรรลุนิพพานถ้าใครปรารถนาบารรลุนิพพานก็อย่ารังเกียจ บ, บารมีทั้งสิบข้อเนี่ยนะหรือบารมีย่อมถึงคือย่อมบรรลุนิพพานก็แปลว่า เป็นเหมือนกับยานทหารนะฮะที่ส่งไปให้ถึงพระนิพพานให้บรรลุพระนิพพานที่กเกษมและปลอดภัยหรือบารมีย่อมกําหนดรู้ซึ่งนิพพานตามความเป็นจริงบารมีนี้คือคุณธรรมที่กําหนดรู้นิพพานการนิพพานโดยที่เต็มไปด้วยความตณหนีเป็นไปได้ไหมทุศีลและบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหมจิตใจนี่หมกมุ่นไม่คิดจะออกเลยเนี่ยนะแล้วบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหม ไม่ได้โง่เงื้องะแล้วบรรลุนิพพานนี่เป็นไปได้ไหมไม่ได้ที่เกียรก็ปานนั้นเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมบรรลุอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีสัจจะวาจาอะไรสักอย่างเลยนะบรรลุได้ไหมหมดเสร็จอีกจิตใจก็ลุ่มๆุ่มโดนๆไม่ได้เคยตั้งไว้เพื่อความดีเลยเนี่ยนะจะบรรลุนิพพานได้ไหมพันไม่ได้หรอกพัะบา ร, รมีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่กําหนดรู้พระนิพพานเนี่ยนะเพราะว่าเป็นตัวขจัดอปฏิบัติขัดเกล้าเพื่อแทงตลอดพระนิพพาน หรือบอกว่าบารมีย่อมตักตวงซัดสัตว์ให้ไว้ในพระนิพพานก็แปลว่าอะไรแปลคุณธรรมที่ซัดหรือว่าโยนสัตว์ให้บรรลุนิพพานผู้ที่บรรลุนิพพานก็เนื่องจากเขามีบุญเก่าเขามีบารมีเขาทําเหตุมาเยอะเนี่ยนะเขาจึงได้ตรัสรู้ก็เท่ากับบอกว่าผู้ใดปรารถนาการตรัสรู้ผู้นั้นก็ตักตวงเจริญบารมีนั่นเอง หรือว่าบารมีย่อมกำจัดค่าสึกคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ในพระนิพพานเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติขัดเกล้าเจริญในคุณธรรมมีทานศีลเป็นต้นในที่สุดเขาก็พ้นจากความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงก็ตรัสรู้พระนิพพานได้เป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าบารมีส่วนบุรุษใดบาเพ็ญคุณธรรมที่พูดมาทั้งหมดบุรุษผู้นั้นเรียกว่า มหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่สมาธานยึดถือถือเอาคุณธรรมบำเพ็ญคุณธรรมรักษาคุณธรรมตามที่กล่าวมาแล้วถ้าหากว่าเรามองสรุปสรุปเนี่ยนะบารมีเหล่านี้คืออะไรก็คือคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากลั่นและก็กรองไม่ให้แปดเปื้อนไปด้วยบาปและอกุศลคุณธรรมอันเนี้ยเป็นตัวเป็นหนทางเป็นปฏิปทาเป็นมรรคา ที่จะให้บรรลุพระนิพพา น, นนะหรือผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่รู้โลกนี้รู้โลกหน้ามองกระแสชีวิตในสังสารวัตออกอย่างตลอดสายบุคคลที่ปฏิบัติตามนี้ในที่สุดก็เหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าฝนตกหนักมากเลยบนยอดภูเขาเนี่ยนะแล้วก็ตกเต็มที่เลยตกเป็นเดือนเดือนเนี่ยแม่น้ำจะไหลไปไหนแม่น้าที่ตกที่ยอดเขาก็จะยังแม่น้า น, น้อยให้เต็ม แม่น้ําน้อยที่เต็มก็เอ่อใครเรียก่าอะไรนะยังบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยที่เต็มก็ยังบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่ที่เต็มก็ยังแม่น้ําน้อยให้เต็มแม่น้ําน้อยที่เต็มก็ยังแม่น้ําใหญ่ๆให้เต็มแม่น้ําใหญ่เต็มก็ไหลบ่าไปสู่ทะเลฉันใดผู้ที่บําเพ็ญ บ, นะ บ, บารมีทั้งหลายอ่านะบาเพ็ญบารมีทั้งสิบไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคขมมะให้อย่างมากให้ต่อเนื่องมือนหยาดน้ําฝนตกเนี่ยนะเจริญกุศลเช่นกับ ฝนตกเขาจะบ่าไปไหนเขาจะไหลไปไหนก็ไหลไปสู่การแทงตลอดอริยสัตว์บรรลุมรรคผลนิพพานแต่หลายคนก็บอกโอ้ยเนี่ยเขาก็ทําตั้งมากมายเมื่อไหรจะถึงนิพพานก็บอกแม้ฝนตกบนแผ่นดินที่มันแรงไปด้วยน้ําฝนมานานมันก็เลยไม่ไหลถึงทะเลสักทีหนึ่ ง, งนะก็เหมือนกับว่าตกแหมไม่กี่เม็ดเองบอกถามเมื่อไหรจะไหลถึงทะเลก็าบองั้นนะั่นดูท่าจะยากมันก็ตกให้สมควรคู่ควรแก่การ ถึงทะเลอันบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยนะก็ต้องเจริญให้มองกุศลจิตทุกครั้งที่เจริญเหมือนกับเม็ดน้ําฝนเนี่ยนะแค่ไหนจึงจะสมควรเพียงพอและก็ไหลลงไปสู่ทะเลหรือว่าอยู่ใกล้ทะเลเรียบร้อยแล้วก็โอ้มีบุญมากเนะนะี่ยนอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วก็ดีแต่ถ้าห่างทะเลเราจะว่างไงนะถ้าห่างทะเลก็ต้องโอ้สร้างฝนในใจให้มันสร้างคุณธรรมในใจให้เพียงพอ มันภาวะหรือการกระทาของมหาบรุษเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีความเป็นผู้บารมีนั่นแหละคือความหมายของบารมีกรรมมีการบําเพนให้ทานเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีคนที่มีบารมีก็คือผู้ที่ให้ทานมาแล้วผู้ที่รักษาศีลไว้แล้วผู้ที่เจริญเนี่ยธมะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าคนมีบารมีคนมีบารมีคือผู้ที่บําเพญคุณธรรมมามาก สมัยใหม่ก็คือใครที่มีได้รับการนับถือมากคนนั้นเรียกว่ามีบารมีนั้นคําว่ามีบารมีในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีคนนับถือมากรู้จักมากแต่คือผู้ที่สั่งสมคุณธรรมทั้งสิบประการเอาไว้มากเรียกว่าผู้มีบารมีเนี่ยนะนะหรืออาจคนที่คนอื่นรู้จักมากแ้ามีคุณธรรมแบบนี้ก็เรียกว่าผู้มีบารมีก็ไม่ผิดอนะเครียกว่าเน้นไปที่คุณธรรมทั้งสิบประการ แล้วบารมีมีกี่อย่างบอกบารมีนี่โดยย่อมีสิบอย่างดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าในกาลนั้นกาลนั้นคือเมื่อไหงสมัยที่เป็นสุเม็จบัณฑิตเราเลือกทานนบารมีอันเป็นทางใหญ่ที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆประพฤติมาแล้วเป็นครั้งแรกเราก็ได้เห็นบารมาีได้เห็นทานเป็นบารมีตัวแรกที่จะช่วยให้ ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นเป็นทางที่จะทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมะอันทํำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่พระเจ้าค่ะคุณธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไรพระองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบุตรธรรมะคือพุทธกัลกะธรรมธรรมอันทํำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีสิบประการแลสิประการคืออะไรบ้างดูก่อนสารีบุตรทาน เป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าศีลเป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนคธรรมเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าปัญญาเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าวิริยะเป็นธรรมะที่ทาให้เป็นพระพุทธเจ้าขันติเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าสัจจะก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานก็เป็นธรรมะที่ทาให้เป็น พระพุทธจเจ้าเมตตาก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจา้าอุเบกหาก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจา้าดูก่อนสารีบุท ธ, ธรรมะสิบประการเหล่านี้แลเป็นพุทธกาลกะธรรมเป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจา้าพระรงก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบารมีสิบคือทานสินนิคัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาธรรมะทั้งสิบประการเหล่านี้นี่แหละ ที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนลำดับทำไมจึงแสดงคานเป็นต้นในลำดับของศีลเป็นต้นก็คงไว้เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเรื่องยาว